โยมคนหนึ่งมาเจริญสติที่นี่ป่าสุขโตก็ตั้งใจปฏิบัติช้าของวันเย็นแาจะง่วงแาจะเมื่อยนะแต่ว่าก็ไม่ยอมแพ้ทำปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดเอาไว้หลังจากปฏิบัติไม่ได้ ส5ห้าวันเมื่อถึงวันสุดท้ายคือวันที่จะกลับก็มีคำถามมาว่าเนี่ยจะต้องเจริญสติไปอีกนานเท่าไหร่คำถามนี้ก็ดูเหมือนจะบ่งบอกเป็นในนะว่าไม่ค่อยมีความสุขนะกับการเจริญสติแล้วก็รอทียจถึงวันที่ ไม่ต้องหรือไม่จำเป็นต้องเจริญสติจึงถามอย่างนั้นมามาก็ตอบไปว่าเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยเคยถามไหมว่าจะต้องกินข้าไปอีกนานเท่าไหร่ทำไมเนี่ยเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราไม่เคยถามเลยคาถามแบบนี้จะต้องกินข้าไปอีกนานเท่าไหร่เพราะมันไม่เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องท่้องที่จะต้องถาม เป็นเรื่องที่รู้กันนะว่าสมควรที่จะกินข้าวตลอดชีวิตตราบใดที่ยังอยากมีชีวิตในเมื่อเวลากินข้าเราก็ไม่ถามนะว่าจะต้องกินข้าวเป็นนานเท่าไหร่ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเวลาเจริญสติเราก็ไม่ควรจะถามกันนะว่าจะต้องเจริญสติเป็นนานเท่าไหร่ถ้าตอแบบนี้เนี่ย ก็เท่ากับว่าเนี่ยการเจริญสติเนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการกินข้าวไม่น้อยไปกว่าการกินอาหารเรียวกว่าเป็นสิ่งจำเป็นก็ได้ของชีวิตเพียงแต่ว่าข้าว้รื อ, อาหานี่มันช่วยบำบัดความหิว ส่วนการเจริญสติเนี่ยมันช่วยบำบัดความทุกข์ใจเรากินข้าวเพื่อบำรุงร่างกายส่วนการเจริญสติเนี่ยเราทำเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงจิตใจท่าน เ, เห็นว่าไม่ใช่แค่กายที่สำคัญใจก็สำคัญด้วย นันกหมายความวา่าเราเห็นว่าการกินข้าวเป็นสิ่งจําเป็นนะการเจริญสติก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตด้วยเหมือนกันและในเมื่อเราไม่เคยถามเลยนะว่าจะต้องกินข้าวเพ็นงานเท่าไหร่เจริญสติก็เช่นเดียวกันนะความไม่ควรถามว่าจะต้อง ปฏิบัติไปอีกนานเท่าใหร่แต่ว่าการให้ความสําคัญกับการเจริญสตินะว่ามันมีคุณค่าพอๆกันหรือเท่ากับการกินข้าวหรือการกินอาหารนี่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเด่นึกถึงแบบนี้เท่าไหร่นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการกินข้าวกับการเจริญสติมันจึง เทียบกันไม่ได้นะในสายตาของคนทั่วไปหมาเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาหิวเนี่ยเราก็รู้นะว่าอะไรคือไซต์แห่งความหิวก็คือไม่มีอะไรตกถึงท้องหรือก็คือไม่ได้กินอาหารเมื่อไม่ได้กินอาหารมันก็หิว แล้วถ้าหิวไปนานๆก็เดือดร้อนความหิวนั้นเป็นความทุกข์กายส่วนความทุกข์ใจเนี่ยคนไม่ค่อยมองนะว่าเป็นเพราะว่าขาดสติหรือเป็นเพราะความหลงถ้าคนมองว่าทุกข์ใจอย่เป็นเพราะหลงเป็นเพราะขาดสติเนี่ยก็จะเห็นคุณค่าของการจริัสติขึ้นมาในระดับเดียวกับการ กินอาหารเพียงว่ากินอาหารเนี่ยมันดับทุกข์ทางกายส่วนเจริญสตินี่ดับทุกข์ทางใจคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยน้อยคนนะที่จะคิดว่าเป็นเพราะความหลงหรือเพราะขาดสติเนี่ยแต่มักจะคิดว่าเป็นเพราะยังมีเงินไม่พอมีบ้านหลังเล็กไป ได้งานที่ไม่ชอบหรือว่ายังไม่มีหน้ามีตาเท่าที่ควรไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจหรือมิฉะนั้นก็ไปโทษบอกคนนั้นคนที่ทำให้ฉันทุกข์จะเป็นเพื่อนบ้านเจ้านายลูกน้องคนรอบตัวเป็นเพราะการกระทาและคําพคดของเขาทำให้ฉันทุกข์ใจ พอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยก็เลยไม่ได้เห็นคุณค่าของสติก็นะกไปคิดว่าเนี่ยถ้าจะแก้ทุกข์ใจก็ต้องไปหาเงินหาทองหรือว่าไปหางานที่มันมีหน้ามีตาหรือว่าไปแสวงหาชื่อเสียงไปสร้างการยอมรับถ้าเดินทางดีไม่ได้ก็เดินทางชั่วหรือพอคิดว่าคนอื่นทำให้ฉันทุกข์ใจ เคียดโมโหก็ไปหาทางจัดการเล่นงานกับคนเรานนัทำยังไงจะให้เขาพ้นหูพ้นตาไปจากเราทำให้เขาหายไปจากชี่อของเราหรือว่าจัดการมันให้เจ็บปวดสาสมไ ป, ไปแก้ตรงนั้นแทนหรือไปมุ่งที่ตรงนั้นแทนอันนี้เลยว่าไปเป็นพ่อว่าหาสมุทไทย มองสมุดไทยผิดนะผิดฝาผิดตัวสมุดไทยของความทุกข์ใจเนี่ยถ้าไปมองว่ามันเกิดจากข้างนอกมันก็ไปคิดแต่จะจัดการกับสิ่งภายนอกแต่ถ้ามองว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากใจของเราโดยเพราะการขาดสติขาดความหรือเพราะความหลงมันก็จะเห็นคุณค่าของสติ คุณค่าองการปฏิบัติขึ้นมาก็เป็นธรรมชาติคนเรานะเวลามีทุก์เวล า, เ, วลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็มักจะโทษข้างนอกเมื่อที่ท่านจ็อกเมื่อวันก่อนเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเวลาเจออาหารที่ไม่ชอบเนี่ยก็มักจะพูดว่าเป็นเพราะอาหารไม่ถูกปาก แต่น้อยคนนะหรือถ้าไม่มีใครเลยที่จะบอกว่าเป็นพาะปากเราไม่ถูกกับอาหารเป็นพ่ออาหาไม่ถูกปากก็ต้องไปแก้ที่อาหารแต่ถ้าหาว่าเป็นพาะปากไม่ถูกกับอาหารก็ไปแก้ที่ใจของเรากี่คนนะที่จะไปคิดว่าเนี่ยที่อาหารที่กินแล้วไม่ไม่มีความสุขเพราะปากไม่ถูกกับอาหารก็เหมือนกับที่หลวงพ่อชายท่านพูดน น, นะ เวลาคนเราเอามือล่วงเข้าไปในหลุมถ้ามือล่วงไปถึงหลุมเนี่ยถึงก้นหลุมเนี่ยก็มักจะพูดว่าเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครที่บอกเป็นเพราะแขนเรามันสั้นคนเราดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์ใจก็จะไปโทษสิ่งภายนอกเราไปคิดแก้ไขจัดการควบคุมบงการหรือผลักใสสิ่งภายนอกออกไป แต่ถ้าคิดว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใจของเราเดี๋ยวเพราะเพราะขาดสติเพราะความหลงก็จะหันมาให้ความสำคัญกับการมาฝึกจิตฝึกใจเพราะการเจริญสตินี่ประการที่หนึ่งะประการที่สองเนี่ยกินอาหารเนี่ยเวลาหิวแล้วเรากินอาหารเนี่ยนะผลมันชัดเจนหิว ก็กินอาหารแค่ 3- าสี่ช้อนก็เริ่มรู้สึกดีแล้วความหิวก็เริ่มลดลงถ้ากินไป1จานก็หายหิวผลมันชัดเจนเลยนะว่าข้าวนี่มันช่วยทําให้หายหิวบําบัดทุกข์กายแต่คนเราเวลาทุกข์ใจแล้วมาเจริญสตินนะโอ้กว่ามันจะเห็นผลนะมันช้ากว่าความทุกข์ใจนี่มันจะ เบาบาหรือดับไปเพราะมีสติมาช่วยกํากับใจหรือปกปอกรั ก, กษาใจมันเห็นมันช้าคนก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการเจริญสติในระดับเดียวกันที่เห็นคุณค่าของอาหารอาหารหรือข้าวเนี่ยโอ้มันกินแล้วเห็นผลชัดเลยนะคือหายหิวและ่างนั้นเนี่ยกินข้าวเนี่ยมันยัมีความอร่อยนะ เป็นสิ่งล่อมันไม่ใช่แค่หายหิวเดี๋ยวแต่มันยังอร่อยด้วยนะแล้วที่จริงจะว่าไปคนเรากินข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้น้อยคนนะกินเพราะว่าเพื่อดับความหิวนะแต่ส่วนใหญ่กินเพื่อความเมตตอร่อยในที่การเจริญสติเนี่ยนะมันไม่มีความอร่อยมไม่มีความเพลิดเพลินมาเป็น รางวัลหรือว่าเป็นผลข้างเคียงเลยันั้นคนเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยก็จะไม่ค่อยหันมาสนใจการเจริญสติเพราะนอกจากผลมันจะช้าแล้วมันยังไม่มีรสชาติที่ดึงดูดใจเหมือนกับความอร่อยเวลาเรากินอาหารอีกประการนึนคือว่า เวลาเวลาทุกข์ใจเนี่ยหลายคนก็ไปหาสิ่งอื่นมาเพื่อทำให้ลืมทุกข์หรือทำให้กลบเกลื่อนความทุกข์ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นความเครียดความเศร้าโศกความโกรธก็ไปหาเพลงนะหนังความบันเทิงหรือมิฉะนั้นก็ใช้เล่า มาย้อมใจบางทีก็ยาเสพติดมันก็ช่วยคลายทุกข์หรือว่าดับทุกข์ไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันเร็วนะแล้วก็ดูมีสเสนลการเจริญสติหรือบางคนก็หันไปหาขนมไอติมช็อกโกแลตกินเพื่อคลายเครียด เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเห็นชัดนะว่าความหิวมันบำบัดได้ด้วยการกินหรือด้วยข้าวปลาอาหารแต่พอถึงเวลาทุกข์ใจแล้วเนี่ยน้อยคนจะหันมาสนใจการเจริญสติเพราะมันมีสิ่งอื่นมามาชดเชยหรือมาไม่ถึงกระทบแทนนะแต่ว่ามาช่วยแก้ปัญหาได้ชั่วครูชั่วยาม สถาที่จริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ใจมันก็เป็นเพราะขาดสติเป็นเพราะใจะที่วางไว้ผิดเพราะความโลภเพราะถูกความโลภครอบงําถูกความโกรธเป็นต้นแนละเหตุผลสำคัญก็คือว่าเนี่ยหลายคนมองว่าเนี่ยไม่กินข้าวเนี่ยนานๆก็ตายนะแต่ไม่เจริญสติก็ไม่มีใครตายเนี่คนที่เขาไม่ได้เจริญสติเขาก็อยู่ได้ ก็ไม่ได้ถึงกับล้มตายอะไรแต่จะว่าไปนี่ก็มองแบบผิวเผินนะเพราะว่ามีหลายคนตายเนี่ยโดยที่ถ้าื่อสาไปจริงๆ ก, ก็เพราะขาดสติเช่นอุบัติเหตุในรถยนต์อุบัติเหตุทางถนนนะไม่ว่าจะเป็นเพราะกินเหล้าหรือเพราะว่าความประมาทพวกนีก้ขาดสติ ยังไม่นับประเภทว่าเดินเข้าห้องน้ำแล้วลื่นหัวฟาดพื้นหรือเดินตกบันไดหัวฟาดพื้นตายอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเป็นเพราะขาดสตินะแต่ตายเพรา ะ, ะเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเพราะสมองขาดเลือดแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะขาดสติ แลม่นั น, นเว่าทุกใจเนี่ยทุกใจเพราะปัญหาต่างๆเข้ามาเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ไปหาบุหรีไปหาเหล้าไปหายาเสพติดเพื่อมาย้อมใจเพื่อคลายทุกข์และตายอันเป็นผลมาจากการเสพสิ่มบนเมายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าพ่อขาดสติเหมือนกันนะ แล้เดนี้ก็มีเยอะมากนะตายเพราะอยากเสด็จยังไม่นับประเภทพวกที่ตกนรกทั้งเป็นนะเพราะว่าขาดสติห่านไปพึ่งพาการพ น, นันหรือว่าคนที่จิตใจห่อเฉียวเป็นโรคซึมเศร้าโดยบางคนฆ่าตัวตาย น, นี้เราเรียกว่าถ้าไม่ตายก็ตกนรกทั้งเป็นก็เพราะการขาดสติ ยังไม่น่าประเภทว่าเหงาเพราะคนรักสูญเสียล้มหายตายจากไปหรือว่าแก่ชาราอยู่บ้านคนเดียวแล้วเหงาห่อเหี่ยววนนี้เหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยก็เพราะขาดสติเหมือนกันนะหรือว่าไม่มีสติที่จะเป็นเครื่องพึ่งพาอาศัยของใจได้ปล่อยให้ความเหงาความโดดเดี่ยวอ้างว้าง หรือว่าโรคซึมเศร้ามันเล่นงานแม้จะว่าไปเนี่ยจริงอยู่นะดูเผลอเผลอเหมือนกับว่าไม่เจริญสติก็ไม่ตายนะแต่ที้จริงเนี่ยที่ตายเพราะไม่เจริญสติหรือเพราะขาดสตินี่มันเยอะหรือเกินนั่นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยการกินข้าวกับการเจริญสตินี่มันก็มีความสําคัญต่อชีวิตในระดับเดียวกันเลยเลือดจะมากกว่าก็ได้นะถ้า การจนรเสอาจะมีความสำคัญมากกว่าเพราะคนจนไม่น้อยที่มีข้าวกินแต่ว่าก็ไม่อยากอยู่ตายผ่อนส่งนะเพราะว่าความเครียดจากงานการความผิดหวังในชีวิตครอบครัวชีวิตรักความสัมพันธ์ตายผ่อนส่งนี่เยอะมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราพูดถึงการกินข้าวเนี่ยนะว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำต้องกินทุกมือ้อในการจินสติก็เช่นเดียวกันนะมันก็สำคัญที่ควรจะทำทุกวันเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติกันนะที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็จินสติได้ขอให้จับหลักให้ถูกไปแล้วกัน หลักในการจลนสติเนี่ยมันก็มีใหญ่ๆก็มไม่กี่ข้อนะข้อแรกคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยมันเป็นหลักในการจริญสติเลยเวลาเรามาเดินจองกรมเรามาสร้างจังหวะเนี่ยเราจะปฏิบัติถูกหรือไม่ ก, ก็อยู่ตรงนี้แหละนะระหว่างที่นั่งจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายนั่ง ใจก็อยู่ตรงนี้ด้วยเรียกว่าอยู่ตรงที่นี่เดี๋ยวนี้ระหว่างที่เดินจงกรมไม่ใช่กลายอยู่ที่ลานจงกรมอย่างเดียวหรือบนทางเดินจงกรมอย่างเดียวใจก็อยู่ตรงนั้นด้วยและเมื่อเรากลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติก็เจริญสติได้นะตัวอยู่ห้องน้ำใจก็อยู่ที่ห้องน้ำตัวอยู่ห้องนอนใจก็อยู่ห้องนอนไม่ใช่ ตัวอยู่ห้องนอนแต่ว่าใจอยู่ที่ทำงานหรือว่าไปอยู่โน่นต่างประเทศนึกถึงแฟนนึกถึงคนรักหรือว่าคิดถึงเขาเนี่ยหรือนึกถึงพ่อแม่หลังมาง่ายๆเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นแล้วการที่สอ น, นี่คือว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็ทำด้วยใจเต็มร้อย ่เวลาเดินจงกลมเวลาเราสร้างจังหวะเนี่ยนะไม่ใช่แค่กายทาแต่ใจก็รับรู้สิ่งที่ทำด้วยรับรู้แบบเต็มร้อยเลยนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ว่าเดินจงกลมใจก็อยู่กับการเดินแต่ประเดี๋ยวก็คิดโน้นคิดนี่วางแผนนั่นวางแผนนี่ เวลาอาบน้ําเนี่ยก็อาบน้ําด้วยใจเต็มร้อยคือว่าใจก็อยู่กับการอาบน้ํารับรู้อ่าเรียกบททุกขณะที่อาบน้ําไม่ใช่ว่าใจก็อาบน้ําอยู่กับการอาบน้ําครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะทําอะไรให้ลูกกินเดี๋ยวจะไปประชุม ตอนเช้าเราจะนำเสนอเรื่องอะไรเรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันบางทีทำา2 3อย่างพร้อมกันภาษาฝรั่งก็ช่บมาติด Tasking เนี่ยซึ่งเขาก็ตึกว่าเป็นของดีแต่เด๋ยนนี้ก็แม้กระทั่งในวงการธุรกิจก็ก็ยอมรับนะว่าให้ทำอะไรเนี่ย ถ้า ท, ทําีรเอย่างมันดีกว่า ท, ทําำีอย่างก็คือการทําด้วยใจเต็มร้อยหรือทําด้วยใจจำร้อยคือ ท, ทําำเอย่ๆเดี๋ยวนี้เราพูดถึงว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่คนเราไมใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรถ้าว่าทําอะไรเนี่ยไม่ได้ทําด้วยใจเต็มร้อยคือไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกตัว ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยความสึกตัวเต็มร้อยเนี่ยไม่ใช่ชุดเต็มร้อยได้อย่างไรทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยหรือว่าทำอะไรก็ทำทีละอย่างระหว่างที่สร้างจังหวะก็รู้สึกตัวไปแต่บางคนก็ทำสองอย่างเดินจงกรมไปด้วยเปิดเทศธรรมะไปด้วย อันนี้ก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยเพราะคนที่ฝึกหม่เนี่ยเวลาเจริญสติเนี่ยก็ขณะที่เราเดินจงกรมขณที่เราเดินจงกรม ก, ก็ให้รู้กายไปความคิดมันมีความเพียรเกิด ข, ขึ้นก็รู้ทันแต่ถ้าเกิดว่าเดินจงกรมไปด้วยฟังเทพธรรมะไปด้วยความสนใจมันจะถูกแบ่งออกเป็น2 รู้กายบ้างเดี๋ยวก็ไปไปรับรู้เสียงบรรยายบางคนนะ่อยากจะฝึกสติเวลาขณะที่เดินเดินรอบศาลแต่ว่าก็อดไม่ได้นะที่จะฟังเพลงไปด้วยหรือฟังเทศจธรรมะไปด้วยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์ถ้าต้องการว่า ออกกาลังกายแล้วก็ได้ฟังธรรมะอันนี้ก็ดีอยู่เพราะว่าบางทีออกกาลังกายมันเบื่อฟังเทปธรรมะก็อาจจะทำให้เพลินแต่ถ้าต้องการเจริญสตินะต้องการเจริญสติก็ควรจะทำเป็นอย่างอย่างเดินจงกรมเดินรอบสะก็ให้เรามีสติอยู่กับการเดิน อันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเจริญสตินะแต่ถ้าเดินผูออกกําลังกายและฟังเทปธรรมะหรือฟังเพลงไปด้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเมื่อคนที่ล้างจานเนี่ยล้างจา น, น, าจา น, นบางทีมันเบื่อฟังเพลงไปด้วยก็ไม่ได้เสียหายแต่ถ้าต้องการล้างจานอย่างมีสติกก็ควรจะมีสติใน ก, การล้างจานทํำด้วยใจเต็มร้อยและประการที่3าเนี่ยคือว่า มันก็มีหลักข้อที่3มคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกอันนี้ก็ละเอียดลงไปหน่อยนะเวลาทําอะไรถ้าทําด้วยกายก็ให้รู้ว่าการเคลื่อนไหวรู้กายคือรู้สึกรู้สึกเนหลวงพ่อเชิญท่านจะพูดเสมอรู้สึกรู้สึกรู้สึกคือรู้สึกที่กายที่มันเคลื่อนมันขยับในทั่งที่ไม่ตั้งใจ หรือว่าละเอียดเช่นกระพริบตาคือน้ำลายเอาก็รู้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันละเอียดไปก็มารู้ขณะที่กํลาลังเดินยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเลี้ยวลีกลกายเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นใจคิดนึกอันนี้ก็ไปรู้ทันความคิดรู้ทันหรือร่วมมีอารมณ์เกิดขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากการที่มีอะไรมากระทบ เ, เสียงมากระทบหูเกิดความไม่พอใจลมเย็นมากระทบกายเกิดความยินดีส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีการกระทบหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นผู้ปิยานนนคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอสิ่งกระทบ คนเรา ท, ทั้งวันยังก็มีแค่สองอย่างเนี่ยถ้าไม่ทำโน่นทานี่ก็เจอนั่นเจอนี้ระหว่างที่ทาถ้าทำด้วยกายก็รู้กายเคลื่อนไหวและเมื่อเจอนั่นเจอนี้เจอคำพูดของคนเจอการกระทําบางอย่างของคนรอบข้างมีความยินดีบ้างมีความยินร้ายบ้างมีความพอใจบ้างมีความไม่พอใจบ้างก็รู้กินอาหารอร่อยอเกิดความยินดีก็รู้อาหารไม่อร่อยเกิดความไม่พอใจก็รู้ อันนี้เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกหรือว่ารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะหรือเจอการกระทบถ้าทําได้สมข้อนี่นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติสามารถทําได้ทั้งวันและทําได้ทุกที่และไปทำให้ชีวิตเราเนี่ยปิตใจเราเนี่ยมีความโปร่งบางมากขึ้นมีความทุกก็สามารถที่จะเห็นนะว่าทุกข์มันเกิดจากใจเกิดจากการ จะติดถือมั่นเกิดจากการปล่อยให้กิเลสมาคลองใจเกิดจากการที่ไปแบกสิ่งต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอนดีตรหรือเรื่องราวอนาคตรหรือความคาดหวังเราก็จะรู้ว่าโอ๊ยไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะใจแท้ๆหรือทุกข์เพราะหลงพอใจมันไม่หลงพอใจมีสติมันก็หายทุกข์ก็เรียกว่าเหมือนกับการกินข้าวนะกินข้าวทําให้หายทุกข์กายคือหายหิว ส่วนการเจริญสติก็ทำให้หายทุกข์ใจซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิต